ธรรมชาดกแผ่นที่เจลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11อมกราคม2556มีชื่อเรื่องว่าวิญญาณชั่ววันนี้เป็นวันพระ แรม14่ค่ำเดือนหนึ่งปีพุทธศักราช2 5 5 6วันนี้เป็นวันที่11มกราสอ5 5ัเป็นวันพระพวกเราได้ปฏิบัติธรรมในเย็นนี้ส่วนพระสงฆ์ก็ได้ลงอุโบสถในช่วงก่อนหน้านี้บัดนี้พวกเราก็ได้ร่วมกันไหว้พระต่อ น, นี้ไปก็จะได้ ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโภมธนิยกถาเป็นการแนะนำเป็นการแนะแนวมากมายหลายหลายอย่างตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอยู่นสถานที่ใด8ค่ำ15บหาค่ำวันพระ ให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าอายุของเราถึงขนาดนี้ปู๋นนี่แล้วเราควรจะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองรอบด้านเปรียบเทียบเขาเปรียบเทียบเราแล้วก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาท คุณงามความดีที่พวกเราได้ทำเอาไว้เป็นที่อุ่นใจหรืออย่างเป็นที่พอใจหรืออย่างเรามั่นใจหรื อ, อยังว่าเราจะไม่ตกต่ำในเมื่อเราจากไปในเดี๋ยวนี้ขณะนี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ละท่านเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องจะให้คนอื่น สอนบอกกล่าวก็ไม่เป็นที่พอใจแต่อย่างหลวงพ่อบอกกล่าวกล่าวเป็นภาพรวมบอกกล่าวเป็นภาพรวมให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราจะศึกษาแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติมากน้อยยางไงแค่ไหนหลวงพ่อก็ไม่สามารถที่จะจี้จุดตรงจุดนั้นได้เพียงจะบอกกล่าวเป็นภาพรวมในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินแล้ว ก็ว่าเออที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่มีเหตุผลที่พวกเราจะต้องได้จะต้องนำมาประพฤติธปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราจะได้นำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็มาปรปับปรุงตัวเองแต่ถ้าว่าเราผู้ใดก็าตามจะไปขยันขยอลอวไปบอกเก่า ดูจุดบกพ้่องของแต่ละคนคนนั้นเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเพอเพอเขาบอกว่าล่วงล้ำสิทธิมนุษยชนไปอีกเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหาว่าตัวเราไม่สอนเราถ้าตัวเราไม่เตือนเราถ้าตัวเราไม่เป็นที่พึ่งของเราแล้วใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้าว่าอัตหิอัตโนนาโ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาคนหรืออื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่ากิจนอกการในใกิจนอกการในก็เถอะการธํามมาหาเลี้ยงชีพอันดับแรกเราก็ต้องพยายามดูตนเองปรับปรุงแก้ไขตนเองไม่มีใครที่จะรักตนเองยิ่งกว่าตัวของเรา แต่ถ้าว่าพวกเราไม่รักตัวของเราแล้วจะให้คนอื่นรักเราแหมยิ่งกว่าตัวของเรานั้นเป็นไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรารักตัวของเราแล้วก็มองการเป็นอยู่ของเราการดํารงชีพของเราพ่อแม่พี่น้องวงสาคนาญาติเขาก็ให้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากว่าตัวเองไม่ช่วยตัวเองวันก็ไม่รู้ใครจะช่วยเราได้เหมือนกับรถของเราหมดไฟจะตาร์ตเครื่องไม่ติดแล้วเข็นขึ้นเขาอย่างนั้นแหละพวกที่เข็นขึ้นไปก็เหนื่อยโผล่ในสุก็ไม่รู้จะเข็นยังไงก็ปล่อยทิ้งนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีไฟจะตาร์ตเครื่องไม่ติด เหมือนกับรถตายลักษณะอย่างนั้นพี่น้องเพื่อนฝูงญาติโกโหติกาถึงจะรักรถขนาดไหนก็เถอะก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะรถมันตายรถไม่มีไฟรถดับเครื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าหว่าเราไม่ปรับปรุงแก้ไขไม่มองเห็นอนาคตไม่ได้มองดูตนเอง ปล่อยปะละเลยผลที่สุดเราจะเป็นยังไงถ้าตัวเองพึงตนเองไม่ได้ตนเองก็ไม่รักตนเองอีกต่างหากแล้วจะให้คนอื่นรักเราแล้วจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายช่วยกันดูตนเองมองตนเองปรับปรุงแก้ไขตายว่ายใจใจของตนเอง อย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่คุยดูสิหลวงพ่อนี่มองดูทั้งหลังอยู่ในสภาพไหนแต่แต่หลวงพ่อเกิดมาหลวงพ่ออยู่ในสภาพที่ป่ารงพงภัยที่สุดแล้วจากนั้นเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามาอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็แนะนำสั่งสอน แต่ตัวของเราเองต้องปรับปรุงแก้ไขต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องเป็นตัวของตัวผลี่สุดก็พยายามทำปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่าให้มีมลทินจะให้ด่างพร้อยอย่าให้ขาดตกบกพร่องเรื่องสินอย่าให้มีปัญหาเรื่องการอยู่กับหมู่เพื่อนอย่าให้มีการ ทะเลาะบอกแหว่งกันกระปุกบบคณะอยู่ด้วยความอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วก็ศึกษาทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรที่เป็นศีลเป็นธรรมแยกแยะให้ออกจากนั้นก็นํำทำคําสอนทั้งหลายทั้งมวลมาปรับปรุงกายใจของเราจากนั้นก็เมื่อได้ปรับปรุงกายใจของเราเราก็รู้ ว่าอันไหนควรจะแยกแยะอย่างไรจากนั้นก็ได้นำทำสอนที่ได้ศึกษามาแนะนำเบื้อบอกกล่าวพวกน้องๆหรือว่าได้นำทำทุกตัวเองได้ประสบการที่ได้ประยุกนำมาใช้และก็บอกกล่าวคณะศรัทธาญาติโยมมู่พวกเพื่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละอันนี้ก็คือ อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็สอนตนเองให้ได้ให้เป็นพระที่ดีให้เชื่อมั่นในตนเองถึงจะเป็นคารวาสก็เถอะให้มองดูตนเองว่าการประพฤติปฏิบัติของเราเนี่ยอุ่นใจหรือยังมั่นใจหรือยัง ถ, ถ้าว่าเราจากไปในเดี๋ยวนี้เราตายไปเดี๋ยวนี้เราจะไปไหนเรามั่นใจในอย่างในศีล ในสมาธิในปัญญาในคุณงามความดีของเราเพียงพอหรือยังได้มากน้อยแค่ไหนไม่ตกต่ำใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราทบทวนดูตนเองให้ไว้อยู่เสมอนี่แหละแปลว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทถ้าคิดได้อย่างนั้นถ้าว่าพวกเราอยู่เออละเหยไม่ได้คิดไม่ได้อ่านแต่ละวีแต่ละวัน ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยอยู่แบบลอยลอยอยู่ไม่มีกฎเกณฑ์พึ่งพาอาศัยกินข้าวนอนหลับไปเป็นวันวันเผิดเพลินเฮฮาไปเป็นวันวันสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไร้สาระจริงๆวันนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังเคยยก หลานของอนาถามิติกะเศรษฐีแต่ลุงพ่อก็เคยเล่าไว้แล้วแต่ลุงพ่อก็อยากจะเล่าอีกเพราะว่าอันนี้มันกระเทือนมันเป็นแนวความคิดที่ที่ควรจะทบทวนออคืออนาถามิติกะเศรษฐีท่านก็มีพี่น้องหลายคนจากนั้นท่านก็แบ่งสมบัตออิคนละ ส0กว่าโกรธคำว่าโกรธคำนี้ก็คือคนละสิบล้านเป็นโกรธค่าสี่สิบโกรธเอาสิบคูณสี่สบเข้าไปสิจะเป็นเงินกี่ล้านนี่แหละในเมื่อแบ่งกันแล้วพี่ชายของท่านตายกันหลานของท่านเป็นผู้บริหาร พอบริหารกันเที่ยวสเ ม, มะเเทเมากินเหล้าเมายาสุรานารีภาษีกิฬาบัตรอันไหนที่สนุกสนานเพิดเพลเนฮาไม่ได้ทำมาค้าขายเพราะในสุดทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเจงโดยปริยายพอเจงเสร็จแล้วก็เขาก็มาขอเงินขอเงินเอาไปใช้จ่ายอานาถามิตรก็ให้ไปครั้งหนึ่ง ขอไม่นานมาขออีกอนณาถาไม่ไดีก็ให้อีกอปอมาเอา้าทําไมมันเป็นอย่างนี้วะว่าจะสืบสอบได้เนี่ยสมบัติเขาหมดแล้วผลที่สุดก็เอาเงินให้เอาเสื้อผ้าให้เพอเสื้อผ้าให้ก็อีกไม่นานก็มาขออีกมันไม่รู้จักจบจักสิน้นผลที่สุดอาณาถาไม่ดีกะเสียทีอะไรไม่ไ ด, ไไได้ไอ้นี่ถ้าขืนต่อไปมันจะ จุ้มจ้านบุ่นวายทำให้ลูกน้องบริวารเสียหายอีกมันจะทำให้คนของเราเสียอีกนิสัยไม่ดีอย่างนี้ใครๆก็เกรงใจเพราะเป็นหลานไปใส่คือคาใส่คอลกออกไปจากนั้นก็เตะคือคาเหมือนกับคนโบราณใส่คาใส่มัดใส่คอแล้วก็ลากเลยออกไปข้างนอก ให้พ้นทางไกลๆแล้วก็ปล่อยคือคาไปอย่าเข้ามาอีกนะบอกสั่งลูกน้องบ่อยสามทับเข้ามาถ้าเขามาข่าวหน้าโดนไม้เหลี่ยวฮมันก็ไม่กล้าเข้ามาแล้วนแตน่แต่ต่อมาเขาก็ชัดเจปเนจรไปเรื่อยผลในสุดเขาก็เลยตายเพราะมันความทุกข์ยากเพะไม่ได้วางแผนชีวิตของตนเองไว้ไม่คาดไม่คิดเนี่เท่าไ ความไม่รักตัวเองนะั่นและ้วเป็นอย่างนั้นการที่ไม่รักตัวเองมันเป็นยังไงเงินทั้งพ่อแม่หาไม่ให้ถึงขนาดนั้นแล้วน่าจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้เนี่ตัวเองใช้แบบปลุยชุยแชรอย่างนั้นผลที่สุดจะตําหนิใครตัวเองไม่รักตนเองแล้วใช้ทรัพย์สมบัติโดยที่ ไร้ค่าไร้ประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่หามาด้วยความยากลำบากมอบให้แก่ตนเองเอเพอในสุกก็ตายต่นี้พอตายจะได้อนาถาบิดะเศรษฐีก็ไปกราบพระพุทธเจ้าตอนบ่ายพระพุทธเจ้าถามว่อาอ้าวเศรษฐีทำไมมาถึงตอนบ่ายอย่างนี้นะมีอะไรเศรษฐีก็บอกโอ้ข้าพระองค์ ถ้าจะว่าไปก็คือสบายใจไม่สบายใจส่วนหนึ่งเหมือนกันเราเกินไปหรือเปล่าที่เราทำให้กับหลานขึ้นขนาดนี้แต่ที่ยังไงมันก็เหลืออดทั้งที่ทรัพย์สมบัติแบ่งกับพี่ชายเสมอกันแต่กับพี่ชายก็มอบให้หลานหลานคนนี้กับนี่ยแหละใช่ดุยุยแจกจุราและการพนันเป็นหลักส่วนอย่างอื่นก็ครอบหมดทุกอย่างในอบา ย, ยมกุก เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิจเกียตข้านทําการงานดื่มสุราฮะสุรานารีมันเข้ากันทั้งหมดผลในสุดเขาก็มาทําอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าโอ้ธนาถาปิฎิกเศรษฐีวิญญาณดวงนี้นะ่ะที่มันเป็นน่ยวิญญาณดวงนี้นะ่ะเราเคยเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงไม่ได้ พราะมันชั่ว ว, วิญญาณดวนี้มันชั่วเราเลี้ยงเคยเลี้ยงมาแล้วมันชั่วเราเลี้ยงไม่ได้พระสงฆ์ทั้งหลายกระราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนที่พระพุทธเจ้าเคยเลี้ยงวิญญาณหรือว่าสงเคราะห์วิญญาณดวงนี้พระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัดของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีเราเป็นเศรษฐีอยู่ในกรุงพาราณสีเป็นเศรษฐีใหญ่ จากนั้นเราก็ทาโรงทานไว้หกแห่งเราทาบุญไว้หกแห่งทำบุญทา ท, ทานตั้งโรงทานไว้หกแห่งประตูสี่มุมเมืองแล้วก็กลางเมืองอีกแล้วก็หน้าบ้านของตนเองอีกตั้งโรงทาน เ, เราทำบุญทำทานตลอดเพรา ะ, ะนั้นอาณาสง์แห่งการทำทานของเรา ใจของเรากว้างขวางมิจะเสียสละและกเราก็มีทรัพย์สมบัติมากจากนั้นเราก็ได้มรณะภาพเมื่อเราตายไปแล้วเราไปสู่สวรรค์เป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นใหญ่ในดาวดึงเป็นพระอินทร์แต่นี้นเราก็มอบทรัพย์สมบัติให้แก่ลูกของเราลูกเอ้ยเอานะรักษาทรัพย์สมบัติเี่พ่อมอบให้ แต่ในพอโรคเข้ามาเนี่ยอันดับแรกกันเนี่ยปิดโรงทานสี่โรงทานก่อนอยู่ข้างนอกต่อมาก็ปิดในเมืองปิดหน้าบ้านพอีนสุดก็ตั้งบงเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาหมอร้องหมอลำขับพร้องอะไรสนุกสนานเศรษฐีเนี่ยเอามาทั้งหมดพอีนสุดยังตัวเองยังไม่ตายซับสมบัติเหล่านั้นหมดเกลี้ยงพอหมดเกลี้ยงที่นี้ เออผลในสูตรนนะเขามายึดที่บ้านที่เรือนอะไรไปหมดเลยเพนาี้พอตัวเองไม่รู้จักบริหารจัดการนี่แหละคนโงน่มันลืมมันหลงถล้ำเข้าไปทุกอย่างไ อ, อพวกลูกน้องบริวารก็ยกยอปอปัน้นแห่กินเจ้านายอย่างงั้นเจ้านายอย่างนี้นนยยนทำอย่างนั้นทาอย่างนี้พลในสูตรตัวเองก็เลยเจงพอเจงกันน่นะทัดเจเปเนจรไปแล้วนี้ หาขอทานเศรษฐีหาขอทานมันไม่ได้ยากนะรับสมบัติเนี่ยเพราะมันไม่ได้สมบัติไม่ใช่สมบัติของตัวเองสมบัติของพ่อเยพ่ออยู่บนสวรรค์มองเห็นโอ้ลูกของเรานะ้อทําให้ช่วยก็ยังไงอยู่พระเอ็นึก็เลยลงมาจากบนทองฟ้ามาจากดาวดึงลงมาก่อนินลมิตรเป็นเหมือนกับพ่อเป็นพ่อเหมือนตะกอนะเป็นร่างเหมือนกับพ่อตะกอน เรียกมาเออลูกที่รักของพ่อทำไมจนถึงขนาดนี้เอาแ่นั่นลูกนะถึงยังไงยังไงก็ยังเป็นลูกพ่ออยู่พ่ อ, อยังเป็นห่วงอยู่เดือดเนื้อเชื้อไขในสมัยพ่อเป็นมนุษย์แต่บันนี้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าแล้วแต่พ่อจะให้หม่อใบหนึ่งน่ลูกนะถ้าวันลูกอยากจะได้เงินําทรัพสมบัติเท่าไหร่ก็ล่วง เอาในหม้อเนี่ยพ่อให้หม้อใบหนึ่งหม้อดินใบหนึ่งรักษาไว้ดีนะลูกนะเดี๋ยวพ่อเอาหม้อไปแล้วพ่อจะไปแล้วพระอินทร์ท่านก่อนพ่อให้หม้อใบนั้นท่าก่อนกลับสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นพระอินทร์แต่ลูกชายหนุ่มคนนี้อไม่ใช่หนุ่มแล้วก็คงจะแก่พอสมควรน่าจะตั้งตนตั้งตัวได้แล้วก็ล้วงเขาไปในหม้อ ได้มาที่แรกๆ ก, ก็เป็นคนดีเพราะมันเคยทุกมาแล้วเนี่ยเคยทุกยากลําบากมาแล้วต่อมาก็เป็นคนดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยเ ย, ยุดในการกระทําทั้งหลายทั้งปวงอพอต่อมาพอจะนี่ก็ล่ารวยขึ้นรุ่งรวยในระดับเศรษฐีขึ้นมาอีกอพวกเร็วๆปาประมิตรทั้งหลายที่คบค้าสมาคมกันมาก่อนเขาว่าเศรษฐีคนนี้รวยขึ้นมาแหละ หลังไหลเข้ามาอีกมาเป็นหมูเป็นเพื่อนอีกมาแนะนำไปในทางที่เร็วๆอีกเศรษฐีนี่ยกับไฟถ่านเก่าไงถ่านเก่ามันติดไฟได้ง่ายไงแอมนก็ไปอีกร อ, อบเก่าทีนี่ทามาหากินนเลีเ้ยงสุรานารีพาชีกิฬาบัตรอย่างเก่าทีอบา ย, ยมุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเข้าอีรอบเก่าอีกอจากนั้นก็ยังร่วงมือเอา เงินจากพ่อออกมาเลี้ยงหมูพวกเพื่อนพอในสตรกานั้นแหละพอกินเหล้าเมาได้ที่แล้วกมันไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วนะคนเมาแล้วบอกคนเมาทาความชั่วดีทุกอย่างพอเมาก็คือขาดสติขาดสติแล้วไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักบุญคุณโทษไม่รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์คนเมามันขาดสติ เอ่ฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ผิดลาภละลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้พราะคนดื่มสุรามันขาดสติเอ่จากนั้นก็พอเมาสุราได้ที่แลยคกอเอ่ยกหม้อขึ้นบนอากาศโยนหม้อแล้วก็รับโยนหม้อแล้วก็รับพอโยนเทเรมันรับไม่ได้เที่คนเมามันตาลายอยู่แล้วนี่มันพลัดตกลงมาใส่พื้นดินหม้อไปนั้นก็แตกพวกะ ผลในสุก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาเงินล้วงเงินมาจากไหนผลในสุก็เลยมดตัวอีกอย่างเก่ากลับไปอีกรอบเก่าคือเป็นขอทานอีกอย่างเก่านี่แหละวิญญาณดวงนั้นมาเกิดกับหลานอนาณาถาเมติกะเศรษฐีเราเคยเลี้ยงมาแล้วมันเลี้ยงไม่ได้เพราะมันโง่เออมันไม่มีคุณธรรมในจิตใจเลี้ยงคน เรววคนไม่ดีเลี้ยงยังไงก็เลี้ยงไม่ได้หรอกอนาถไม่ดีไม่ต้องเสียใจมันบาปกรรมบันติดพบติดชาติเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ตัวตราดูตนเองสิ่งไหนก็ตามถ้ามันไม่ดีแนละ้วให้ฝืนอย่าทำถ้าเรายังทำอีกอย่างเก่าไปว่าเรื่องนั้นนินสัยนั้นน่ะนิสัยเร็วๆอย่างนั้นอ่ะมันจะติดพบติดชาติของเราต่อไปภายภาคหน้า เพราะนั้นเรารู้ได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วพวกเราควรจะปรับปรุงกายใจของเราสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทำํำพูดแต่สิ่งที่ดีเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยถูกต้องตามศีลธรรมจริยธรรม อยู่กับหมูกับเพื่อนก็นมีเมตตาอารีต่อกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันในหมู่ในคณะอย่าไปทำแบบนักเลงหัวไม้เราเป็นพระสงฆ์องคา้าติกับญาติกับโยมให้รู้จักการวางตัวให้รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับครูบาอาจารย์วั ย, ยวุฒิคุณวุฒิ สิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทำศึกษาเอาไว้มันจะติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราทำไม่ดีกรรมไม่ดีนั่นละ่ะมันจะติดพาพวกเราเติดพบติดชาติเหมือนกับหลานอนาถาเมตริกาเศรษฐีสมัยก่อนที่เป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าสวยพระชาติเป็นเศรษฐีต่อมาถึงมันยังมาเป็นหลานอนาถามติกาเศรษฐีอีก พระพุทธเจ้าอย่างยกตัวอย่างให้แก่อนนาถามดิกาเศรษฐีฟังฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นชาดกเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างในชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านคนชั่วเนี่ยถึงจะชุบเลี้ยงยังไงก็ชุบเลี้ยงไม่ขึ้นเพราะมันเป็นสันดอนสันดานมันเป็นบาปกรรมในอดีตชาติตมันเลี้ยงไม่ขึ้นมันซุบไม่ขึ้นมันพยุงไม่ขึ้น เพราะมันเร็วจิตใจมันเป็นมันเป็นความชั่วเสียหายอยู่ในใจของมันลึกๆนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเรามีไหมสั้นดอนสั้นดานสิ่งที่มันเร็วๆในจิตในใจของเราเราควรจะถอนถอด ถ, ถ, ถอนมันทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้สิ่งที่ดีเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจ เ, เรามั่นใจไหม เราพอใจได้ยังในการเป็นอยู่ของเราใเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไปจากโลกเดียวนี่เราจะไปสู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าเนี่ยให้มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของเรานี่แหละอันนี้คือการเป็นอยู่หลวงพ่อเคยพูดบททิศ ท, ทั้งหกเนี่ยนั่นแหละเออมันผิดเอผิดที่ผิดทาง ต้าว่าการเป็นอยู่การวางตัวไม่ถูกต้องสรุปแล้วขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมแต่นี่ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานั่งภาวนานมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะหลวงพ่อก็เคยบอกกล่าวย้ำแล้วย้ำอีกว่า ในทมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากลากหลาย 84,000 พันพระธรรมมขันธ์กรรมฐาน40อย่างแต่ที่นี้เราจะหยิบจุดไหนมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละจุดนี้หลวงพ่อเ น, น้นหนักว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา หลวงปู่มั่นท่านสอนครูบาอาจารย์ของพวกเราสอนหลวงตามหาบัวสอนหลวงปู่ล่าสอนหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เขาครูบาอาจารย์ของเราที่มะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวกล่าวกันมาเป็นทอดๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ได้ศึกษาจากหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็ดึกศึกษาจากหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวก็ได้ศึกษาจากหลวงปู่มั่น หลวงพ่อเองก็ศึกษาจากหลวงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกของหลวงปู่มั่นถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นในฐานะหลานแต่พวกท่านทาั้งหลายลูกของพ่อในฐานะเลดนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็มั่นใจว่าแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนําสั่งสอนยังเป็นแนวถาแถวยังเป็นบทบาทอยู่อย่างมุดโตไทยอย่างนี้หนังสือประวัติที่หลวงตามหาบัวเขียนอย่างเนี่ย ประวัติหลวงปูมั่นปฏิปทาพระธรงค์กรรมฐานสายหลวงปูมั่นตลอดทรมลิขิตที่องค์หลวงตาเขียนหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศนาว่าการที่ว่าชี้ปอว่าประวัติแต่ละองค์ที่ท่านดำเนินชีวิตของท่านอย่างไรออกบวชอย่างไรปฏิบัติอย่างไรรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอย่างไรมุ่งมั่นในธรรมอย่างไร สิ่งเหล่านี้ก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนําสั่งสอนแต่พวกเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วสรุปลงก็คือหลวงปู่มั่นท่านแนะนําสั่งสอนให้พวกลูกของท่านให้ภาวนาให้ยึดกรรมฐานให้ภาวนาพทุทโธเนี่ยเนี่ยจะว่าลายสายหลวงปู่มั่นหรืสายภาวนาพทุทโธเพราะฉนั้นพวกเราก็ภาวนาอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำํำให้จริงจังให้จริงใจ หายใจเข้าพุทหายใจออกทัให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติหลวงพ่อก็บอกแล้วกล่าวอีกแต่อันนี้คราวนี้ยก็ย้ำอีกอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่ท่านพาดําเนินถ้าพวกเราพาดําเนินด้วยดเนินดเนนดเนินตามแนวแถวเ อ, อของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยสายหลวงปู่ที่ท่านแนะนําสั่งสอน สมัทะท่านทําจิตให้ใจให้สงบอย่างไรวิปัสนาเดินวิปัชนาพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่ในนั้นทั้งหมดวิธีการสมัทะวิปัชนาทําจิตใจให้สงบการพิจารณาการกลองไตร่ตองเรื่องพิจารณาแยกส่วนแบง่งส่วนแบ่งส่วนของร่างกายสังขารร่างกายสังขารมิใช่ตัวตนของเรา เป็นอนุจางทุกขังอนัตตาขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งภายนอกเราจะไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปอ <Hey. S 1> จนเอาเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเป็นเอาตายจริงๆมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะฉนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัยเหมือนกับเปรือแพรหรือว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยไปสู่จุดหมายปลายทางคือปัจจัยสี่ลาบยศจันรเสริญสุขเหล่านั้นเป็นที่พึ่งพาอาศัย เหมือนกับเรือแพที่จะทําให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางาไม่ใช่ว่าเราได้ทรัพย์สมบัติเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักเหล่านั้นออามาติดอยู่ในนั้นกอดเรือกอดแพอยู่อย่างนั้น่ผลในสุดเรือแพเหล่านั้นก็ล่มจมลงไปเพราะเรือแพก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเมื่อไหรไม่ใช่เรือถึงจะเป็นเรือเหล็กก็เถอะเอมันก็มีโอกาสที่จะกร่อน ได้เหมือนกันผลที่สุขพังทลายอีกเหมือนกันนั่นแหละทั้งที่เราจะอาศัยเรือแพข้ามฟากฝั่งพอถึงฟากฝั่งไปแล้วกั น, นโดดขึ้นฟากฝั่งเอาสมบัติไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต่อไปคื อ, คอมรคผลนิพพานแต่นี่เราจะไปเกาะไปกอดอยู่ในเรือในแพนั่นไม่ไปไหน ผลใสุดนั่นะตัวเองก็ล่มจมตายลงกับเรือกับแพนั้นนี่ก็เหมือนกันลาบยศจันรเสริญสุขทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่ยมันเป็นที่พึ่งพาอาศัยพาเดินไปสู่มรรคผลนิพพานแต่เรามาติดในสิ่งเหล่านี้ซะเออมันไปไม่ถึงไหนเลยทีนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่พูดให้ฟังนะว่าแนะแนวให้ฟังอย่างนี้ อ, อ เป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนไว้แล้วขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังสมรร t h อภาวนาพุทโธอย่างไรเดินจงกลมอย่างไรนั่งภาวนาอย่างไรอยู่ในวัดของเราอยู่ในความเงียบสงบมากอย่าไปคิดว่าเอจะถานที่ไหนที่จะเงียบสงบเอมันอยู่กับเราทั้งนั้นแหละ ให้พวกเราหามุมสงบในขณะที่มุมสงบในช่วงที่ทำการงานก็ทํทำการช่วยช่วยการช่วยการงานไปเหมือนกับยางสติ๊กอย่างที่ผมพูดถึงข่าวยืดใช้ก็ยืดใช้ไปแต่เมื่อขาวหยุดยืดใช้แล้วเอาเข่าที่เข่าทางเข่าภาวนาไปเอาจริงเอาจังมันได้จริงได้จังคนที่จริงจังต่อไปภายภาคหน้าหมู่พวกเพื่อนองไหนก็ตามที่ผมเห็นเห็นมาน ที่เป็นน้องๆพี่ๆน้องๆถ้าการงานทางนอกก็รับผิดชอบดูแล้วก็ทางด้านจิตใจภาวนาก็เอาจริงเอาจังเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นผู้มีเหตุมีผลมีกฎมีเกณฑ์ไว้เนื้อเชื่อใจได้พึ่งพาอาศัายได้แต่พวกเข้ามาแล้วก็การงานก็เลาะๆแลาะแหละที่จะทําเป็นกฎเป็นเกณฑ์ ก็หากฎทาเกณฑ์ไม่ได้เพราะในสุ่กันน่ะเป็นพระผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เลาะเละแล่ล่พูดอะไรก็ไม่จริงไม่จังหลบหลบเลี่ยกๆีกเลี่ยงถ้านินทาหมู่พวกเพื่อนเยเร็วยิ่งกว่าอะไรถ้าจะออกหน้าออกตาเป็นจิตจารักษณะเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อจะดำรงทรงวัฒนารรมให้มั่นคงเป็นสักเป็นสีต่อวงการต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อหมู่ต่อเพื่อน โดยมากมันจะไม่เป็นอย่างนั้นคนที่หลอหลอแหล่แหล่เนะี่คนที่หากดหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะตรวจตราดูตนเองอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหมู่เพื่อนอย่าให้มีเรื่องให้เป็นผู้มุ่งมั่นในอัดในธรรมให้นําหลักธรรมคําสอนของครูบาอาจารย์มาประพฤติปฏิบัติพวกเรามีแต่ความเจริญนึกขึ้นมาเมื่อไหรนึกย้อนหลังเมื่อไรอย่างหลวงพ่อเนี่นึกย้อนหลังหลวงพ่อภาคภูมิใจ ที่ได้อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์จนถึงท่านละสังขารเราก็เข้าไปช่วยอย่างเต็มที่เมื่อช่วยเสร็จแล้วเราก็ยังภาคภูมิใจอีกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรอยากจะให้งานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความลาบรื่นเรียบร้อยเชิดชูบูชาประกาศเกียรติคุณอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนเราเราได้รับคําแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราพยายามใช้สติใช้ปัญญาของเราเต็มที่ สุดความสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องนั้นๆเรื่องราวนั้นๆจนให้สำเร็จร่วงไปแบกสุดความสามารถที่เรามีอยู่นี่แหละทางกายประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งพระสงฆ์พระอนุนเป็นประธานขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมดยความไม่ประมาเทเถิด อันนี้มันถึงใจจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะประโยชน์ตนก็จะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์ท่านก็จะให้ขาดตกบกพ้องให้ทําสํารวมกายสรุปเรื่องกัคิดดีทําดีพูดดีจุดนี้แหละคิดติทําดีพูดดีท่านเราใช้วรลีนี้ระหว่าแนวความคิดนี้แล้วก็ปฏิบัติตามที่เราได้คิดไว้อย่างนี้ คนนั้นจะตกไปในทางต่ำไม่มีทางที่จะไปทางต่ำมีแต่ไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นเครื่องบินก็นเชิดหัวขึ้นไปเรื่อยๆมีแต่ความผาสุกนะและการพูดการแนะแนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรขอจิตติเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิ